50 languages. 34. 40. 34. On the train. Train. That train to Berlin, r i g h Is this t h Berlin train? When does the t r a l a v รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะเทรินเบอร์ลินกับพ่อเจกีขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะมอบกี้เจ๊ก้าก่เม้กุ้ยจัดเซ็คตดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะเมราคยัลเฮ यह मे นคิดว่าดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ मेरा คิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิตูนนอ่นขอยู่ขบวนไหนคะเมราิดว่าคุณนนอน่ะรว่นทนขอ่าวุนท้ของเราคุัีของนเมราคิดน के आखिर में है และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะอร์ดินิ่งคาร์ค่าาฮ์เฮชิรูเม่ดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะแก่เม้นี่เจสู้สักต้าฮุ่ฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะแก่เม้ดมีนเมสู้สักต้าฮุ่วดฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ฮัมสะระดับจะไปถงเม่ไ่ปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไร่คะเบอร์ลินตึงจะเดินทางนานเท่าไรถไฟจะเข้าช้าไหมคะรถที่จะมาถึงเมื่อไห่ คุณมีอะไรอ่านไหมคะ क ्ะा आपके पास पढ़ने ปे लिए कुछ है ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ क ् य มุ य य ु झ ेย ह ा่าाข้า र นी न े के ีिน कुछ मिल सकता है มิลสักคุณช่วยปลุกดีฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะ क ्ะा आप ุेม र หा न ी करके मुझे ลี้ क क ब มุ उठा द สं ग บจอุทาดง